ผีล้วงหัวคอนโดหลอนมหาวิทยาลัยย่านรังสิตสมผัสเสียงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยปีสองตอนนั้น